จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หกปุมภาพันพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆยังได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตเช่นการมากราบไหว้บูชาพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของจิตใจของพวกเราเพราะถ้าผู้ใดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อยู่ภายในใจแล้วจะไม่มีความทุกข์ต่างๆสามารถที่จะเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของพวกเราให้ว้าวุ่นขุ่น ม, มัวให้วิตกกังวลให้เศร้าโศกเสียใจได้เลยดังนั้นพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนและของพระ อาลิยสงสาวกทั้งหลายจึงมียังเป็นที่ยิ่งใหญ่อย่างมากและการที่เราได้ทดแทนพระกุตของท่านด้วยการกราบว่ว้บูชาจึงถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตของเรานะดังในพระบาลีที่ได้ทรงตัดไว้ว่า บูชาจะบูชนียนงเอตัมมังกลมุตตมังการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตพวกเราจึงควรที่จะทำการบูชาผู้ที่มีพระคุณต่อเรากันอย่างสม่ำเสมอ บุคคลที่เราควรจะบูชานั้นก็มีหลายบุคคลด้วยกันเพราะแต่ละท่านก็มีบุญคุณกับเราต่างกันไปเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็มีบุญคุณทั้งด้านจิตใจเพราะจะทำให้เราสามารถปฏิบัติจนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีใครในโลกนี้แม้แต่บิดามารดาของพวกเราที่มีบุญคุณกับเราอย่างยิ่งก็ยังไม่สามารถที่จะสอนให้เรานั้นได้ปฏิบัติและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น ที่จะสามารถสอนเราได้บิดามารดาของพวกเราอย่างมากก็จะช่วยเราในการที่ให้เรามีชีวิตอยู่ได้จเจริญโตโตขึ้นมาเป็นที่พึ่งของเราเองได้เช่นเวลาที่เราเกิดมาใหม่ๆก็ต้องอาศัยบิดามารดาคอยเลี้ยงดู คอยให้การอบรมสั่งสอนคอยให้การสนับสนุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยสี่ก็ดีหรือเรื่องการศึกษาก็ดีหรือเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ดีบุคคลสองคนนี้ยังมีพระคุณกับเราอย่างมากต่อจากนั้นเราก็ยังมีครูบาอาจารย์ต่างๆ ที่เราได้รับการศึกษาตามโรงเรียนตามสถานที่ศึกษาต่างๆท่านเหล่านี้ก็มีพระคุณแก่พวกเราที่พวกเราควรจะสำนึกในบุญคุณของท่านอยู่เสมอและบุคคลอื่นๆที่ให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนเราตามวาระต่างๆ ตามสถานที่ต่างๆก็เป็นบุคคลที่เราควรที่จะมีความกตัญญูกะตะเวทีมีความสำนึกในบุญคุณของท่านและทดแทนบุญคุณของท่านตามแต่กรณีตามแต่ความรู้ความสามารถตามแต่กำลังของเราเท่าที่เราจะทำได้ อย่างน้อยที่สุดเราทำได้ก็คือการให้ความเคารพการกราบไหว้บูชาเช่นเวลาที่เรามาในในวัดเราพบเห็นพระพุทธรูปเราก็ทำการกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์แล้วเราก็ลําลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ร ล, ลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าลําลึกถึงคำสอนและพระคุณของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายถ้าเราทำอย่างนี้เราก็จะมีปัญญามีความรู้ที่ถูกต้องที่จะคอยเตือนสติให้เราดำรงตน ไปในทางที่ดีที่งามสมมุติว่าทุกครั้งที่เรากราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าเราลำเลึกคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยย่อได้ว่าให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ละบาปทั้งปวงให้ชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราลำลึกถึงคำสอนนี้ได้และลำาลึกถึง การดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอาริยสงสาวโลกทั้งหลายก็ดีว่าท่านดำเนินตามที่ท่านสอนหรือไม่ถ้าท่านดำเนินตามที่สอนเราเป็นลูกศิษย์ของท่านเราก็ควรที่จะดำเนินตามถ้าเรามีความคิดอย่างนี้อยู่ภายในใจเรื่อยๆ เ, เราก็จะมีกำลังใจที่จะ ทำความดีถึงแม้จะรู้สึกยากเย็นบ้างในบางครั้งบางเวลาแต่เราก็จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระอริยสงสารโลกทั้งหลายว่าการที่ท่านเป็นบุคคลที่ประเสริฐขึ้นมาได้ก็เพราะท่านทําความดีท่านไม่ทําบาท่านชําระใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อเราคิดอย่างนี้แล้ว เราก็จะมีกำลังใจที่จะทำความดีไม่ทำบาปที่จะทำละใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วผลที่ดีก็จะเกิดขึ้นกับใจของเราใจของเราจะมีความสุขมากขึ้นมีความอิ่มมากขึ้นมีความพอมากขึ้นมีความภูมิใจมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลง มีความว้าวุ่นขุนงัวน้อยลงมีความโลภความโกรธความหลงน้อยลงไปตามลำดับนี่คืออ น, นิสงส์ที่เราจะได้รับจากการบูชาพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นเบื้องต้นหมายถึงถ้าเราไม่มีอะไรที่จะบูชาได้เราก็บูชาด้วยการ จเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติเราสามารถทำได้ทั้งวันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ตรอหน้าพระหรือไม่เราก็สามารถที่จะทำได้ไม่เป็นการเสียหายแต่อย่างใดไม่ได้บูชาไม่ได้กราบด้วยร่างกายก็ขอให้บูชาขอให้กราบด้วยจิตใจซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญกว่า ดีกว่ากราบทางร่างกายแต่จิตใจนี้ไม่รู้ว่ากราบอะไรกันบางครั้งเราก็สอนลูกให้เรากราบหนึ่งสองสามพอเจอพระก็ให้กราบสามครั้งโดยที่ไม่รู้ว่ากำลังกราบอะไรกันอยู่ความจริงเวลาเราสอนลูกให้กราบพระนั้นควรจะบอกว่ากราบพระธรรมนะกราบพระสงฆ์กราบพระพระพุทธเจ้า เขาจะได้รู้ว่าเขากำลังกราบอะไรกันไม่ได้กราบหมายเลขหนึ่งสองสามแล้วก็เอาไปแทงเป็นหวยเป็นลอตเตอรี่ไปอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นการบูชาการบูชาต้องกราบว่าต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระอริยสงสาวกต่างๆทั้งหลายระลึกถึงการประพฤติปฏิบัติของท่าน ว่าท่านปฏิบัติอย่างไรเพื่อที่เราจะได้เอามาเป็นตัวอย่างเอามาเป็นแบบฉบับแล้วเมื่อเราล้ำลึกถึงท่านอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้ไม่หลงลืมเวลาที่เราจะไปทำอะไรตรงข้ามกับการกระทําของท่านเราจะไม่กล้าทำเช่นเวลาเราจะไปทำบาปเราก็จะไม่กล้าทำ ถึงเวลาที่เราควรจะทำความดีแต่เราไม่ทำเราก็จะเปลี่ยนใจว่าต้องทำถึงเวลาเช่นวันนี้ถึงเวลาต้องมาวัดก็ต้องมาถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องการทำความดีเลยเราก็จะไม่ได้คิดที่จะมาวัดกันจะคิดไปหาความสุขที่ไร้สาระคือทางตาหูจมูกลิ้นกาย ตามรูปเสียงกลิ่นรสผลพธพะชนิดต่างๆที่ไม่ได้ทำให้จิตใจของเรามีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นแต่กลับจะทำให้ใจของเรามีความทุกข์มากขึ้นเพราะการหาความสุขแบบนี้เป็นการเพิ่มกำลังของความอยากที่จะหาความสุขแบบนี้ให้มีมากขึ้นไปหลังจากที่เราได้ไปเที่ยว กลับมาแล้วแทนที่ใจของเราจะมีความอิ่มเอิบมีความสุขมีความพอเรากลับมีความรู้สึกว้าเหวอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวจะไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้จะไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้เพราะพอกลับมาบ้านแล้วก็รู้สึกมีความว้าเหวอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเศร้าซ้อยหงอยเหงาก็ต้องออกไปข้างนอกใหม่ ต้องออกไปยิ่งออกไปพอกลับมาบ้านก็ยิ่งเศร้าซ้อยหน่อยหเหงาใหญ่แทนที่จะมีความสุขมีความสบายใจแล้วถ้าเราต้องออกไปมากๆเราก็ต้องใช้เงินมากๆแล้วถ้าเงินเราหมดเราก็จะลําบากและเราอาจจะต้องหาเงินด้วยวิธีที่ไม่ชอบเช่นไปทําทุจริตต่างๆไปโกหกหลอกลวงไปช่อโกงไปลักทรัพย์ เพื่อที่เราจะได้เอาเงินนี้มาเที่ยวมาดับความเศร้าสร้อยหมอนเหงาความว้าเหวของเราแต่ในทางตรงกันข้ามแทนที่เราจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเรามามาวัดกันมาทำบุญกันมาเสียสละมาเสียสละทรัพย์เงินทองของเราสละเวลาของเรา เพื่อมาเอาเข้าวของมาถวายพระภิกษุมาถวายวัดมากราบพระมาฟังเทศน์ฟังธรรมมารักษาศีลและมาปฏิบัติธรรมมาชำระความโลภความอยากต่างๆให้น้อยลงไปให้เบาบางไปจิตใจของเราก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีความอิ่ ม, มเพิ่มมากขึ้น มีความพอเพิ่มมากขึ้นจะอยู่ตามลำพังได้อย่างสบายจะไม่รู้สึกเศร้าสร้อยหงอเหงาว้าเว่เลยนี่คือการกระทำที่เราควรจะกระทำกันคือเอาพระพุทธเจ้าและเอาพระอริยสงสาวกมาเป็นตัวอย่างเอาพระธรรมคำสอนของท่านมาเป็นผู้นำทางให้แก่พวกเรา พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมนุษย์ปุตุชนเหมือนพวกเรามาก่อนก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆท่านก็เป็นปุตุชนคนธรรมดาที่มีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากต่างๆเหมือนอย่างที่พวกเราเป็นกันแต่ท่านมีปัญญามีความฉลาด ท่านรู้จักคิดท่านคิดถึงเหตุและผลที่เกิดจากการกระทำต่างๆนั้นท่านก็ท่านก็เห็นว่าการกระทำที่เราชอบทำกันคือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขจากการได้ลาบยศสรรเสริญต่างๆเหล่านี้แทนที่จะเป็นความสุขกลับเป็นการ เพิ่มความทุกข์ให้มีมากขึ้นแก่ใจของพวกเราและท่านก็เห็นว่าทางที่จะพาไปสู่ความสุขที่แท้จริงก็คือการเสียสละการให้การไม่เบียดเบียนผู้อื่นการทำจิตใจให้สงบการสอนจิตใจให้ฉลาดให้รู้ว่าอะไรคือความสุขอะไรคือความทุกข์ เมื่อเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วใจของเราก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆความทุกข์ก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะเราคอยกำจัดความโลภความอยากต่างๆนั่นเองคือความอยากที่ไม่ดีความอยากที่ที่ดีนั้นเราก็ทำความอยากที่ไม่ดีก็อย่างที่พูดนี้อยากมีความสุขกับ รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยากร่ำรวยอยากมีตำแหน่งสูงๆอยากให้คนยกย่องสรรเสริญเยือนย อ, ยอความสุขเหล่านี้นะั้นเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้ตามความอยากเราก็จะเสียใจเช่นเราอยากรวยแต่เราไม่รวยเราก็เสียใจเราอยากจะได้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ พอเราไม่ได้เราก็จะเสียใจเราอยากจะให้ผู้อื่นยกย่องสรรเสริญชื่นชมยินดีพอเราถูกเขาตำหนิถูกเขาข้รหานินทาเราก็จะเศร้าโศกเสียใจแต่ความอยากที่จะมาทำบุญความอยากที่จะรักษาศีลความอยากที่จะฟังเทศฟังธรรมอยากจะนั่งสมาธิอยากจะเดินจงกรม อยากจะปฏิบัติธรรมนี้เป็นความอยากที่ดีเพราะจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขและมีความทุกข์น้อยลงดังนั้นถ้าเราอยากจะทำอะไรก็ขอให้เราอยากทำความดีกันอยากละบาปกันอยากชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์กันด้วยการ มาวัดอย่างสม่ำเสมอถ้ามาวัดไม่ได้เราก็ทำที่บ้านของเราให้เป็นวัดก็ได้เพราะวัดก็คือสถานที่ที่สงบที่ไม่มีสิ่งที่มายั่วยวนกวนใจต่างๆเช่นแหลงบันเทิงต่างๆในบ้านเราเช่นเรามีวิทยุมีโทรทัศน์มีเครื่องเล่นต่างๆ สมมุติว่าในวันพระเราไม่สามารถมาวัดได้เราก็ทำบ้านของเราให้เป็นวัดก็ได้คือวันนั้นเราจะปิดโทรทัศน์ปิดวิทยุปิดเครื่องบรรเทิงต่างๆแล้วเราจะเปิดหนังสือธรรมะอ่านเปิดเทปหรือซีดีธรรมะฟังหรือเปิดทีวีที่เขามีการถ่ายทอดพระธรรมเทศนาฟังแทน อย่างนี้เราก็ถือว่าเรามีวัดแล้วมีวัดที่บ้านเราแล้วเพราะวัดก็คือสถานที่ที่เอื้อต่อการทําความดีต่อการละ บ, บาปและต่อการชําระความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ภายในใจของเราให้เบาบางลงไปดังนั้นเราสามารถที่จะไปวัดได้ทุกวันถ้าเรา ปรารถนาที่จะไปวัดกันจริงๆถ้าไปวัดข้างนอกไม่ได้เราก็ทำวัดที่บ้านของเราก็ได้ทำบ้านของเราให้เป็นวัดด้วยการยุติเรื่องการบันเทิงต่างๆทำให้บ้านสงบเงียบต่างคนต่างอยู่ต่างคนมีหน้าที่อะไรก็ทำกันไปแต่ไม่ต้องมาคุยกัน ไม่ต้องมาหาสิ่งบันเทิงต่างๆดูและฟังกันพยายามเจริญสติให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่เพราะเวลาที่เราจะทำสมาธิทำใจของเราให้สงบนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีสติเป็นตัวคอยดึงใจเอาไว้เพราะใจของเราที่ยังไม่ได้รับการอบรม ที่ยังไม่มีสมาธินี้จะเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนเช่นถ้าเราได้ลิงมาใหม่ตัวหนึ่งถ้าเราอยากจะให้ลิงนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราถ้าเราไม่จับขังไว้ในกรงเวลาเราออกจากกรงเราก็ต้องมีเชือกผูกลิงไว้แล้วเราจะได้สามารถ ดึงลิงไว้ไม่ให้ไปไเพ่นผ่านที่เราไม่ต้องการให้เขาไปถ้าเราไม่มีเชือกพอปล่อยออกจากโครงลิงมันก็จะวิ่งมันก็จะเล่นไปตามภาษาของมันแล้วก็ไปทําร้ายเข้าของทําสิ่งต่างๆให้เกิดความเสียหายได้แต่ถ้าเรามีเชือกคอยผูกดึงไว้แล้วมัดไว้กับเสาลิงมันก็ไม่สามารถที่จะไปไหนได้ ยกเว้นว่าเชือกของเรานี้มันไม่แข็งแรงแล้วลิงสามารถกระตุกให้มันขาดได้ถ้ามันกระตุกให้เชือกขาดได้มันก็จะไปเที่ยวเล่นตามภาษาของมันได้ต่อไปใจของเรานี้ก็เป็นเหมือนลิงตัวหนึ่งและสิ่งที่จะผูกใจดึงใจเอาไว้ที่เป็นเชือกนี้ก็คือสตินี่เองสติของเรานี้แล จะเป็นตัวที่สามารถจะควบคุมจิตควบคุมใจควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดเพ่นผ่านไปตามเรื่องตามเรื่องราวต่างๆตามสถานที่ต่างๆแล้วก็คว้าเอาความทุกข์เอาความวุ่นวายใจมาให้เราต้องเจริญสติใหม่หมนี้สติของเรายังอ่อนอยู่เหมือนเชือกกล้วยพอลิงมันกระตุกทีเดียวมันก็ขาด แต่ไม่เป็นไรมันกระตุกขาดเราก็ผูกมันใหม่เวลาเจริญสติก็เวลาเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดึงกลับมาใหม่เรากําลังทําอะไรอยู่ก็ให้เราอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่กําลังอาบน้ําก็ให้อยู่กับการอาบน้ํากําลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัว อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับงานที่เรากาลังทำอยู่ถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับงานอยู่ในปัจจุบันได้ตลอดเวลาพอเรามีเวลาว่างจะนั่งสมาธิทําใจให้สงบก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วเพราะใจไม่ลอยไปลอยมาถ้าเราไม่ได้เจริญสติเลยพอถึงเวลาที่เราจะมานั่งสมาธิกัน เราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ยอมสงบเลยหรือบางครั้งนั่งไม่ได้เลยบางคนก็เลยคิดว่าการนั่งสมาธินี้ไม่จําเป็นเคร่งไม่ใช่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ทรงสอนว่าสมาธินี่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะเพราะทรงตรัสว่าสมาธิที่ได้รับการอบรมดีแล้วนี้ มีอ น, นิสงส์มากมีคุณมากเพราะจะทำให้เกิดปัญญาได้จะทำให้การเจริญปัญญานี้เป็นไปได้ถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะไม่สามารถเจริญปัญญาได้แล้วถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่สามารถตัดกิเลสตัดความโลภตัดความหลงตัดความโกรธและหลุดพ้นได้ต้องมีปัญญา ปัญญาจะมีได้ก็ต้องมีสมาธิสมาธินี้จะมีได้ก็ต้องมีศีลผู้ที่อยากจะนั่งสมาธิจึงจำเป็นต้องถือศีลแปหรือศีลห้าถ้าศีลห้านี้ก็จะมีกำลังน้อยกว่าศีลแปเหมือนกับถ้าเรามีม้าห้าตัวกับมา้า8ตัวมา้า8ตัวนี้ย่อมมีกาลังมากที่จะลาก รถของเราไปได้เร็วกว่าและขนของได้มากกว่าถ้ามาห้าตัวก็จะลากไปช้ากว่าและขนของได้น้อยกว่าชั้นใดถ้าเราต้องการผลคือสมาธิปัญญาและการหลุดพ้นเราก็ต้องอย่างน้อยรักษาศีลแปเพราะว่าเวลาเรารักษาศีลแปนี้เราจะตัด อุปสรรคที่คอยขวางกัน้นการทำใจของเราให้สงบก็คือความรักความชอบกับเรื่องบันเทิงต่างๆนั่นเองเรียกว่ากามฉันทะกามฉันทะนี้จะเป็นเหมือนกำแพงที่จะกั้นไม่ให้ใจของเราเข้าสู่ความสงบเราจึงต้องถือศีลแปดกันถ้าเราอยากจะปฏิบัติธรรม อยากจะนั่งสมาธิเราต้องมีสถานที่ที่สงบสงัดถ้าเราไม่สามารถทำบ้านของเราให้สงบสงัดได้เราก็ต้องไปหาวัดที่สงบสงัดไปหาวัดที่ไม่มีคนพลุกพล่านวัดที่มีแต่นักปฏิบัติแล้วก็ต่างคนต่างอยู่แยกกันอยู่ไม่มาสมาคมกันไม่มาสังคมกัน จะมาสังคมกันก็เฉพาะเวลาที่มีกิจกรรมที่จะต้องทำร่วมกันเท่านั้นและในขณะที่ทำกิจกรรมร่วมกันก็จะไม่สังสรรค์กันจะไม่คุยกันให้เสียเวลาต่างคนต่างจะคอยเฝ้าดูใจของตนควบคุมจิตใจของตนไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับ ภารกิจที่กำลังทำอยู่ถ้ากำลังปัดกวาดทำความสะอาดก็ให้อยู่กับการปัดกวาดทำความสะอาดถ้ากำลังทำอาหารกับข้าวกับปลาก็ให้อยู่กับ ก, บการกระทำอาหารแต่ไม่ต้องคุยกันต่างคนต่างมีหน้าที่อะไรก็ทำกันไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติอย่างต่อเนื่องในทุกอิริยาบถ แล้วพอเสร็จกิจกรรมแล้วต่างคนก็ต่างแยกกันกลับไปพักไปปฏิบัติที่ตามสถานที่ของตนต่อไปเปลียกวิเวกเพราะความวิเวกกายนี้จะทำให้ใจวิเวกถ้าใจถ้ากายไม่วิเวกเช่นถ้าเราอยู่ท่ามกลางฝูงชนอยู่กับคนมากๆนี้จะทำใจให้วิเวกให้สงบนี้จะทำไม่ได้เพราะฉะนั้น กายต้องวิเวกคือเมื่อเราไม่มีภารกิจที่จะต้องทาก็แยกไปอยู่ตามลาพังไปควบคุมไปเจริญสติสมาธิและปัญญาต่อไปด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งสมาธิเวลานั่งทำสมาธิก็ทำใจให้สงบให้นิ่งให้เป็นสมาธิจะใช้การบริกรรมพุทโธไปก็ได้หรือจะใช้การกำหนด ลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ถ้ามีสติเฝ้าดูอยู่แล้วไม่นานใจก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบขณะที่ใจสงบนิ่งเป็นอุเบกขามีความสุขก็อย่าไปบรบกวนปล่อยให้สงบนิ่งไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ถึงแม้จะมีธุระหรือมีภารกิจบางอย่างที่จะต้องทำก็อย่าไปบรบกวน ปล่อยให้พักให้เต็มที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการเจริญปัญญาในขณะที่อยู่ในสมาธิเพราะสมาธินี้เป็นที่พักผ่อนของใจเหมือนกับเวลาที่เรากลับมาจากการทํางานเราก็ต้องรับประทานอาหารแล้วก็หลับนอนพักผ่อนร่างกายตอนที่ร่างกายหลับเราก็อย่าไปปลุกเพราะถ้าปลุกขึ้นมาแล้วจะนอนไม่หลับ หรือนอนไม่พอแล้วก็จะไม่มีกำลังที่จะไปทำงานต่อใจก็เช่นเดียวกันเวลาใจเข้าสมาธิเข้าสู่ความสงบเวลานั้นเป็นเวลาที่ใจต้องการพักผ่อนต้องการรับประทานอาหารเราต้องปล่อยให้ใจพักให้เต็มที่รับประทานอาหารใจให้เต็มที่พอพักพอแล้วก็จะถอนออกมาเอง เวลาถอนออกจากความสงบก็จะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปพอเริ่มคิดแล้วก็อย่าปล่อยให้คิดเรุ่อยเปื่อยเราต้องเอาความคิดนี้มาเจริญปัญญาคือเราต้องคิดถึงเรื่องอนิจจ์ทุกขังอนัตตาอนิจจ์แปลว่าความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกขังแปลว่าความทุกข์ใจที่เกิดจากการอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ และอนัตตาก็คือสิ่งต่างๆนั้นไม่ได้เป็นของเราไม่ใช่ตัวเราเราไม่มีอะไรมากับเราและเวลาเราไปเราก็ไม่มีอะไรไปกับเราดังนั้นเราจรึงไม่ควรที่จะยึดติดกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกเล้นกายเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลตภภาพต่างๆ สิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงมีมามีไปอย่าไปยินดีเวลามาเพราะถ้ายินดีเวลาไปก็จะเสียใจเช่นเวลาเราได้แฟนเราก็ถ้าเราดีใจเราเดี๋ยวเวลาแฟนจากเราไปเราก็จะเสียใจแต่ถ้าเราไม่ยินดีไม่ดีใจมาก็ม า, ถ, าถ้าต้องอยู่ด้วยกันก็อยู่กันไปแต่ไม่ได้อยู่ด้วยความดีใจ อาจจะอยู่เพราะมีความจําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันเพราะเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องมีเพื่อนช่วยกันทำมาหากินช่วยกันสร้างครอบครัวก็อยู่กันไปแบบเพื่อนแต่อย่าไปยินดีอย่าไปดีใจเพราะถ้าเรายินดีดีใจเราก็จะมีความยึดติดแล้วก็จะมีความอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆพอเกิดเขาเป็นอะไรไปขึ้นมา เราก็จะวุ่นวายใจเราก็จะทุกข์ใจเสียใจหรือเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาไม่เที่ยงเขาอยู่กับเราไม่ได้ไม่นานซักวันหนึ่งเขากับเราก็ต้องจากกันเขาไม่ไปก่อนเราก็อาจจะไปก่อนถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วถึงแม้เราจะมีคู่ครองเราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขและเราจะไม่หึงหวง จะไม่ห่วงใหญ่เพราะเรารู้ว่าเราไปบังคับเขาไม่ได้เขาอยากจะไปไหนมาไหนเขาอยากจะทําอะไรเราไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราอยากให้เขาทําอย่างนั้นหรือทําอย่างนี้แล้วเขาไม่ทําตามที่เราอยากเราก็จะเสียใจทุกใจแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาเป็นอิสระถือว่าชีวิตของเขาตัวของเขา เขามีสิทธิ์ที่เขาจะทำอะไรก็ได้ถ้าเราปล่อยเขาเราก็จะไม่เสียใจเขาทำอะไรไม่ถูกใจเราเราก็จะไม่เสียใจแต่ถ้าเราปล่อยเขาแล้วเขามักจะไม่อยากจะทำอะไรให้เราเสียใจเพราะเขาจะเห็นคุณของเราว่าเราไม่ไปควบคุมบังคับเขาไม่ไปเป็นเจ้าของไปเป็นเจ้านายของเขา แต่ถ้าเราไปทําตัวเป็นเจ้านายเขาสั่งให้เขาทําอย่างนั้นทำอย่างนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็จะรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจเพราะเราก็เป็นเหมือนเขาถ้ามีใครมาคอยสั่งให้เราทําอย่างนั้นทําอย่างนี้บางทีเราก็เบื่อบางทีเราก็อยากจะทําฝืนคําสั่งเขาแต่ถ้าเขาปล่อยให้เราทําอะไรตามอธัธยาศัย เราก็จะมีจิตสำนึกภายในใจของเราเองในตัวของเราเองว่าสิ่งที่เราทำนี้เหมาะสมกับสถานภาพของเราหรือเปล่ปาเช่นถ้าเรามีคู่ครองเราจะไปยุ่งกับคนอื่นได้หรือเปล่ปาถ้าเขาไม่มาคอยสั่งคอยหวงคอยควบคุมบังคับเราเราก็จะคอยควบคุมบังคับตัวเราเองเพราะเราจะเห็นว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่เราอยากจะอยู่ด้วย แต่ถ้าเราอยู่กับคนที่คอยมาควบคุมบังคับคอยสั่งการคอยเป็นเจ้านายเราก็อาจจะไม่อยากจะอยู่กับเขาหรือถ้าเราอยู่กับเขาเราก็อยู่แบบกืนไม่เข้าทอยไม่ออกแล้วถ้ามีโอกาสที่เราจะหลบไปหาคนนั้นคนนี้ระยุ่งกับคนนั้นคนนี้เราก็จะไปทันทีเพราะเราไม่เห็นว่าเขามีคุณอะไรกับเราเลยเขาไม่มีความดีอะไรอยู่ในตัวเขาเลย ที่จะทำให้เราจะต้องมาเกรง อ, อกเกรงใจเขาดังนั้นถ้าเราอยากจะอยู่กับใครแล้วอยู่อย่างมีความสุขเราต้องใจกว้างอย่าไปหวงอย่าไปห่วงอย่าไปควบคุมบังคับขอให้เรามีความเชื่อใจกันไว้ใจกันแล้วถ้าเขาทำไม่ถูกมันก็เป็นเรื่องของเขาความผิดก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่เขา ความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวเราก็จะอยู่ที่คนที่ทำความผิดถ้าเราไม่ทำความผิดและเราไม่หวงเราไม่ยึดติดกับเขาเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยว่าเขาทำอะไรไปบ้างทำดีก็เรื่องของเขาทำไม่ดีก็เรื่องของเขานี่คือการสอนใจให้เกิดปัญญาขึ้นมาเวลาที่เราออกมาจากสมาธิไม่ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับอะไร ก็อย่าไปยึดอย่าไปติดมีหน้าที่จะทำอะไรก็ทำไปได้ผลดีมากน้อยเพียงไรก็พอใจกับผลนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องได้ตามใจเราเสมอไปเพราะถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นขึ้นมาเราก็จะเสียอกเสียใจนี่คือการเจริญปัญญาสลับกับการทำสมาธิ พอเรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานเราก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่ไปพักผ่อนจิตใจไปเติมกำลังให้แก่จิตใจถ้าเราทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าใจของเราจะไม่ผูกมัดกับอะไรจะไม่ยึดติดกับอะไรและจะไม่ทุกขกับอะไรนี่แหละคือการกระทำที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวโกทั้งหลาย ต้องการให้เรากระทำเพื่อเป็นการบูชาการบูชาแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติบูบชาด้วยการกราบพระล้ำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วก็นําเอาพระคุณเหล่านี้มาปฏิบัติตามปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระอริยสงสาวกทั้งหลายแล้วก็รับผลก็คือความสงบสุข ความอิ่มเอิบใจความพอใจความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี่เป็นการทำสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตของพวกเราทำอย่างนี้ทำด้วยการปฏิบัติบูบชาจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำสิ่งที่เป็นมงคลเช่นการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชานี้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 และความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ